เดินโดยจัพระก็คือเป็นตัวเราของเราฉะนั้นเมื่อมาพิจารณาแยกธาตุออกไปเสียเมื่อโดยที่แท้แล้วความที่สำคัญหมายยึดถือว่าเป็นก้อนเป็นแท่งจนถึงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเรานั้นหาได้มีไหม มีสักเทวธาตุดินธาตุน้นำธาตุไฟธาตุลมและธาตุอากาศทั้งห้านี้เท่านั้นและเมื่อธาตุทั้งห้านี้ประกอบกันอยู่ชีวิตก็ย่อมตั้งอยู่และเมื่อชีวิตตั้งอยู่จึง หายใจเข้าให้ใจออกได้เดินยืนนั่งนอนได้และก้าไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเป็นต้นได้อาการทั้งหลายในร่างกี้คือผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ของตนของตน และยังดำรงอยู่แต่เมื่อธาตุที่ประกอบกันเข้าเป็นกายอันนี้แตกสลายดังที่ปรากฏดับลมลมให้ใจเข้าออกนั่นให้ใจเข้าแล้วไม่ออกให้ใจออกแล้วไม่เข้าขัดสันตติคือความสืบต่อ ดับลมเมื่อความดับลมปรากฏขึ้นธาตุไฟก็ดับเมื่อธาตุไฟดับธาตุน้ำธาตุดินก็เริ่มเน่าเปืเ่อยเืิดแห้งเสื่อมสลายไปเพราะฉะนั้นความสิ้นชีวิตก็ปรากฏ และเมื่อความสิ้นชีวิตปรากฏร่างกายนี้ที่เป็นร่างกายที่มีชีวิตก็กลายเป็นศพและศพนั้นเมื่อเป็นศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา ด, ดังในสมัยโบราณเมื่อพิจารณาดูหรือเมื่อนึกดูถึงสภาพของศพก็ย่อมจะปรากฏว่า เมื่อเป็นศพที่ตายวันหนึ่งสองวันสามวันก็ย่อมจะมีสีเขียวหน้าเกลียดและจะมีสัตว์ต่างๆมาจิกมากัดกินและดังนี้ก็จะเป็นศพที่เป็นโครงร่างกระดูก มีเนื้อเหลือติดอยู่มีเส้นเอ็นรึงรัดัและเมื่อปล่อยทิ้งไปยิ่งไปกว่านี้ก็จะไม่มีเนื้อเหลือแต่ยังเป็นโครงร่างกระดกูกที่มีเส้นเอ็นรึงรัดและต่อจากนั้นเส้นเอ็นที่รึงรัดก็จะหมดไป เน่าเปื่อยไปโครงกระดูกที่ประกอบกันอยู่นั่นก็จะเริ่มกระจัดกระจายกระดูกขาก็จะไปทางหนึ่งกระดูกแขนกระดูกตัวกระดูกบั้นเอวกระดูกซี่โครงกระดูกบ่ากระดูกคอฟันศรีรษะก็จะไปทางหนึ่งจึงกลายเป็น กระดูกหรือเป็นอัฐิที่มีสีขาวและกระดูกนั่นเมื่อนานไปนานไปก็จะมารวมกันบ่นเข้าเป็นกองกองพ้นปีออกไปและเมื่อน า, นานไปนานไปนั่นก็จะผุพ่นละเอียดไปหมดก็เป็นอันว่าร่างกายอันนี้ ก่อนแต่มาประชุมกันเป็นธาตุคือความเกิดก็ไม่มีและเมื่อธาตุทั้งหลายมาประชุมกันเขา้าคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศคือช่องว่างและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ มาประกอบกันเข้าความตั้งคันของมารดาก็ปรากฏขึ้นและก็เริ่มชาติคือความเกิดจนถึงเมื่อคลอดออกมาเป็นชาติคือความเกิดที่ปรากฏดำรงชีวิตอยู่ก็โดยที่ธาตุทั้งหกนี้ประกอบกันอยู่ และก็แปลปรนเปลี่ยนแปลงไปในทางเจริญคือเป็นวัยเด็กเล็กเด็กโตเป็นหนุ่ม <c oughs> เป็นสาวเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แปรปรนเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมก็เป็นความแก่ที่ปรากฏจนถึงในที่สุด ว, วิญญาณธาคือธาตุรู้ก็จุติคือเคลื่อน เมื่อเป็นดังนี้บรรดาธาตุธที่ไม่รู้นั่นที่รวมกันอยู่ก็แตกสลายดังที่ปรากฏเป็นความดับลมเป็นต้นดังที่กล่าวแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ร่างกายอันนี้ก็เริ่มแตกสลายแล้วก็ไปจนเป็นกระดูกแล้วก็เป็นกระดูกผุพ่นในที่สุดก็เป็นอันว่าก็ถึงภาวะที่เรียกว่าไม่มีเหมือนอย่างเดิม เดิมก็ไม่มีและเมื่อมีชาติคือความเกิดตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิขึ้นในครันของมารดาจนถึงสิ้นชีวิตในที่สุดแล้วในที่สุดเมื่อกระดูกผุกเปื่อยไปหมดแล้วก็กลับไม่มีเหมือนอย่างเดิมเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตรัสสอนให้ปัญหาว่านี้คืออนิจจคือความไม่เที่ยงที่ปรากฏ เป็นความเกิดเป็นความดับจึงปรากฏเหมือนอย่างว่าเป็นสิ่งที่ขอยืมเข้ามาตั้งอยู่ชั่วการและปรากฏว่าเดิมก็ไม่มีแล้วก็มีขึ้นแล้วก็กลับไม่มีเหมือนอย่างเดิม ดังนี้เป็นอนิจจคือความไม่เที่ยงและเพราะความไม่เที่ยงดังนี้จึงชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าถูกความไม่เที่ยงคือความเกิดดับนี้บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจึงตั้งอยู่คงที่ไม่ได้ต้องแปรปลุนเปลี่ยนแปลงไปจากเกิดจนถึงดับ และเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นอนัตตาคือไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราบังคับให้เป็นไปตามความปรารถนามิได้เมื่อบังคับไห้เป็นไปตามปรารถนามิได้เพราะเหตุว่าต้องเกิดต้องดับต้องเปลีป่ยนแปลงไปดังนั้นจึงขัดแย้งต่อความเป็นอั ต, ตาที่ยึดถือและ เพราะเหตุที่เป็นบังคับให้เป็นไปต่างไปปรารถนามิได้ต้องเกิดดับต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นของที่ว่างเปล่าจากสาระแก่นสารเป็นของที่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราของเราความเป็นตัวเราของเรานั้น เป็นความยึดถือไว้เท่านั้นไม่ใช่เป็นสัจจะคือความจริงความจริงนั้นก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานแม้ในข้อกายานุปัสสนาพิจารณากายที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไวน้นี้เมื่อตรัสสอนให้กำหนดพิจรารณา ดูลักษณะของกายกำหนดลักษณะหรือเรียกว่ากำหนดรู ป, ปธรรมก็ได้กำหนดรู ป, ปลักษณะของลมหายใจเข้าออกของอิริยาบถใหญ่อิริยาบถน้อยของอาการ31หรือส2ของธาตุ ตลอดจนถึงของศพตั้งแต่เริ่มตายจนถึงเสื่อมสลายไปหมดในที่สุดเป็นการตรัสสอนให้กำหนดรูปปลักษณะเมื่อตรัสสอนให้กำหนดรูปประลักษณะดังนี้ย่อมจะทำให้มองเห็นสัจจะคือความจริงซึ่งเป็นสามัญลักษณะ คือลักษณะที่ทั่วไปของสังขารทั้งปวงอันได้แก่อานิจจลักษณะลักษณะที่ไม่เที่ยงทุคลักษณะลักษณะที่เป็นทุกอนัตตลักษณะลักษณะที่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทําให้อนิจจตาความเป็นของเที่ยงทุขาตาความเป็นทุกและอนัตตลา ว่าเป็นอนัตตาปรากฏขึ้นดังนี้จึงเป็นตัวปัญญาวิปัสนาปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในทุกขลักษณะอนิจจลักษณะในอนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะในอนิจจตา ทุกขตาอนตัตตาเมื่อเป็นดังนี้ยังเป็นไปเพื่อวิปัสสนาปัญญาอันตั้งขึ้นจากสมาธิที่กำหนดรูปบรลักษณะของกายสมาธิที่ตั้งกำหนดรูปบรลักษณะของกายตามที่ตรัสสอนนี้จึงเป็นวิธีที่ ให้ได้วิปัสสนาปัญญาในสามัญญลักษณะเป็นตัวปัญญาดังที่ตรัสเอาไว้ว่าตามเห็นเกิดตามเห็นดับเป็นธรรมดาตามเห็นทั้งเกิดตามเห็นทั้งดับเป็นธรรมดาดังนี้ฉะนั้นการปฏิบัติในสติปัฏฐาน ตั้งสติเบื้องตน้นกำหนดรู ป, ปลักษณะของกายก็ทำให้ได้สมาธิและทำให้ได้วิปัสสนาปัญญาอันเป็นตัวปัญญาที่ให้ได้บิบุตความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกแม้จะชั่วระยะหนึ่งเร็วหรือมากหรือน้อยตามสมควรแก่กำลังปฏิบัติ ต่อไปนี้กข็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทางความสงบสืบต่อไปบัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้น ก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมาสมาสมุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณนะ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 ให้สงบและให้ได้ปัญญารู้แจ้งเห็นจริงสติปัฏฐานย่อมเป็นข้อกรรมฐานปฏิบัติทั้งเพื่อสงบ เพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนเอาไว้ให้ทรรมสติที่เป็นตัวอนุปัสสนา คือตามดูตามรู้ตามเห็นกายเวทนาจิตธรรมของตนที่เป็นประอยู่ในภายในในภายนอกทั้งภายในทั้งภายนอก ทั้งให้ทำอนุปัสสนาคือตามรู้ตามรู้ตามเห็นในกายเวทนาจิตธรรมว่ามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความเสื่อมดับไปเป็นธรรมดา ทั้งมีความเกิดขึ้นทั้งมีความเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาตั้งสติก็เพื่อให้เห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมมีอยู่ สำหรับตั้งสติและสำหรับที่จะให้ได้ปัญญารู้ไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกต่างนี้นี้เป็นหลักของการปฏิบัติ กรรมฐานไม่ใช่แต่สติปัฏฐานเท่านั้นแม้ในกรรมฐานข้ออื่นก็เช่นเดียวกันในเบื้องต้นจะต้องทำสติ ให้เป็นอนุปัสนาตามดูตาม ร, ามรู้ตามเห็นข้อกรรมฐานที่ตั้งกำหนดนั้นหากว่าตั้งกำหนดในกายในเวทนาในจิตในธรรมก็ให้ ตั้งสตกิกำหนดว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่หรือว่าจะยกขึ้นเป็นตัวอย่างในข้อใดข้อหนึ่ง ที่จำแนกแยกออกไปจากสี่ข้อใหญ่นี้เช่นลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเมื่อตั้งสติให้เป็นอนุปัสสนาตามดูตามรู้ตามเห็นลมให้ใจ ล, ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออก ของตนในเบื้องต้นก็ต้องตั้งสติกำหนดว่าลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกมีอยู่คำว่ามีอยู่นี่หมายถึงว่ามีอยู่ในจิตที่ตั้งกำหนด ไม่หายไปจากจิต ท, ที่ตั้งกำหนดต้องให้มีอยู่ในจิต ท, ที่ตั้งกำหนดอันความมีอยู่ในจิต ท, ที่ตั้งกำหนดนี้ยังหมายถึง ตัวอารมณ์คือเรื่องที่มีอยู่ในจิตต้องให้เรื่องของลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกมีอยู่ในจิตอารมณ์นี้ไม่หายไปจากจิต ถ้าหายไปจากจิตเสียก็แปลว่ากรรมฐานไม่ตั้งขึ้นในจิตเพราะเหตุว่าจิตนี้จะสลุมสลือง่วงเหงา ไปก็ตามจะรับอารมณ์อื่นเข้ามาก็ตามอารมณ์แห่งลมให้ใจเข้าให้ใจออกก็จะหายไปถ้าเพราะสลุมสลือง่วงเหงาก็จะหลับไป ดับไปคือหลับไปดับหรือหลับไปนี่ไม่ใช่เป็นตัวปัญญาที่เห็นดับไม่มีตัวปัญญาหนในความสลมสลือในความง่วงเหงาหรือในความที่หลับหรือดับไปนั่นเป็นทีนามิ tha ความง่วงเงนเคลิบเคิม หรือว่ารับอารมณ์อื่นเข้ามาก็เช่นคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เป็นกังวลอยู่หรือที่ใจผูกอยู่ก็แปลว่าจิตปล่อยอารมณ์แห่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปจับเอาอารมณ์ของเรื่องต่างๆ เข้ามาเมื่อเป็นดังนี้อารมณ์แห่งลมหายใจเข้าลมหายใจ อ, ออกออก็หายไปก็แปลว่าจิตไม่ตั้งอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ไม่ได้อาณาปานสติสมาธิเป็นการได้ความง่วงเหงาวความหลับหรือว่าได้ความฟุง้งซ่าน เพราะฉะนั้นความที่จิตจะตั้งอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานนั้นก็คือว่าอารมณ์ของกรรมฐานข้อนั้นมีอยู่ในจิตอารมณ์แหกรรมฐานคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีอยู่ในจิตจิตรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออก ให้ใจเข้าก็รู้ให้ใจออกก็รู้ดังนี้ก็คือว่ามีอยู่มีอยู่ในจิตคราวนี้มีอยู่เพื่ออะไรก็มีอยู่เพื่อที่จะสำหรับเป็นที่ตั้งของสติ เพราะสตินั้นจำเป็นที่จะต้องมีที่ตั้งเมื่อตั้งใจที่จะทำอนาปานสติก็ต้องให้มีลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี่แหละเป็นที่ตั้งของสติเป็นที่ตั้งของสติกำหนดกำหนดยังไง ก็กำหนดให้รู้ภายในให้รู้ภายนอกให้รู้ทั้งภายในทั้งภายนอกความที่ตั้งกำหนดให้รู้ดังนี้ก็ไม่ต้องไปขนขวาย ค้ญหาว่าภายในอยู่ที่ไหนภายนอกอยู่ที่ไหนทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่ที่ไหนมีอยู่ที่อารมณ์คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกกับตัวสตินี่แหละที่ตั้งกาหนดอยู่และเมื่อตั้งกาหนดอยู่ดังนี้ ความที่เป็นภายในความที่เป็นภายนอกของลมก็รู้เองก็คือว่าเมื่อเข้ามาก็เป็นภายในออกไปก็เป็นภายนอกเท่านี้หายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้เข้ามาก็เป็นภายในออกไปก็เป็นภายนอก และก็ต้องให้รู้ทั้งภายในทั้งภายนอกคือทั้งเข้าทั้งออกไม่สับสนกันและละเอียดขึ้นไปกว่านี้ก็ให้รู้ยาวให้รู้สั้นให้รู้กายทั้งหมดและรู้แล้วก็ต้องปล่อย ให้สงบให้ละเอียดไม่ยึดถือไม่ปรุงแต่งก็เป็นความสงบกายอย่าสังขารคือเครื่องปรุงกายตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทำความสงสัยค้นหาอะไรมากมายว่าภายในอยู่ที่ไหนภายนอกอยู่ที่ไหนเอาแค่นี้แหละ เขาก็เป็นภายในออกก็เป็นเป็นภายนอกให้รู้ให้รู้ทั้งภายในทั้งภายนอกและเมื่อจิตมีสติกำหนดอยู่ดังนี้ลมให้ใจก็มีอยู่ ท, ยทั้งภายในทั้งภายนอกคือทั้งขาเข้าทั้งขาออก ไม่หายไปหายไปเมื่อไรก็แปลว่าจิตฟุ่งออกไปแล้วจิตไม่ตั้งแล้วหรือว่าสติหลงลืมไปเแล้วฟุ่งแล้วต้องให้มีอยู่ฉะนั้น ความที่ตั้งสติกำหนดว่ากรรมฐานข้อที่ปฏิบัติมีอยู่เช่นลมหายใจเขาออกมีอยู่ดังนี้ก็เพื่อสติกำหนดเพื่อเป็นที่ตั้งของสติ แล้วเมื่อเป็นที่ตั้งของสติดังนี้แล้วก็รู้เองรู้ภายในขึ้นมาเองรู้ภายนอกขึ้นมาเองคือเข้าก็รู้ออกก็รู้ความทําความเข้าใจภายในภายนอกง่า ย, ายๆดังนี้ปฏิบัติง่ายไม่ต้องไปค้นหาว่านอกในอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แหละเพียงเท่านี้ก็เป็นตัวสติขึ้นมาได้